ยกมือขึ้นพราากลางมีกี่คนยกมือขึ้นยกมือขึ้นบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบม่มีมิจะนั่งจ่าเพื่อเดียวมันฟั้งออกคื่เราข้างจา่า มูเฮ้าเกิดมาให้ยังเกิดมานับกุศลพล้บุญที่ได้สางไหวกจะได้พบกอนสาตรกอนความเกิดบุญย่างมอดพ่อเดี๋ยวมันจะมาสางบุญอีกเกิดมาสางบุญว่ามันเกิดมาสางบาปบุญกระฮาบบาปกรเหิว่าันบะเมียไม่อยากเอา เอาแต่บุญบาปไ่อยากเอากลว่าจะเอาแต่บุญปนมันก็ย่งสิใดบาปอย่าง่วยจะเอาบาปไปน้ำที่ไหนบุญก็หาบาปก็เหวอาจารย์ก่อนผ้าไปื่สิไปเอาไปให้ยงบาปมาเมืแต่บุญบุญให้ธานบุญรักษาเีษบุญภาวนาบุญระลึกถึงคุณพระพุะทธธรรมพระสงค์บุญที่ทาความดี คนทั้งคนมีความดีเต็มภูมิโยสุคนทุกคนขาสองแขนสองหัวหนึ่งเป็นมนุษย์เต็มภูมิเป็นมนุษย์สมบัติอบางบ้าใบเสียจิตเพชรมนุษย์เรียกว่าบุญแน่มนุษย์บุญแ น, น่ไปได้สวรรค์ก็คือสิ่งใดที่ห่อถ่อมโดยนำสายใจดีเรียกว่าบุญแ น, น่สวรรค์เจ้าท่อม กมดีโดยนำใช้ใจดีวันนียมันหกคือเข้าวท้องความสุขอ่ะเกิดมาพัฒนาเจ้าขอพัฒนาใจกายเอาเขาพัฒนามันร่างกายสังขารเอาเข้าหน้าโภชนาอาหารพัฒนามันชนเชื่ใจน เอากสุนพบุญพัฒนาจังไรเอาอื่ น, นมาเป็นแนอร่างกายสังขานอาวานเอายาเอาเครื่องลุงของถือที่อยู่ที่อาศัยพัฒนาอาบน้ำถึงป่านนั้นมันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ได้ออกนี้จากเท่าันเท่าใส่ท่านกับท่านใส่กา ย, ายใส่ว่าท่านมันกระตายก่อน พระยาจิตตลาดใส่พรท่นมันก็ตายนี้จากพระยาจิตตลาดก่อนเ้าๆมี่ชีวิตเีว่างเีว่าเนี่ผ้ากายผ้าว่าจา่าทําควา่ำดีมีบุญวัดาสนาหลายจึงได้มาฮอดปีนี่จึงไดนมาจำพัฒนากขาวา่าอะไรสาว่าจักรสันทั้ก็ต่ายไปแล้วยังมีบุญยุสิทธิ์สังกุศนเพื่นบุญต่อในี่มนุษย์โลกอีกอยู่ พระ พ, mm. พ, พ, พ, พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพริยาสงฆ์เจ้ามีคุณมากไม่อัปมาโนพุทโขคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปมาโนธรรมโขคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปมาโนสังโฆคุณของพริยาสงฆ์ไม่มีประมาณประมาณนวันตานิสเรียงสปานี้อหิวิชิกาตถาปฏีอุณาลาพิธละโคโมชิกาประมาณแห่งจิ้งกกทุกแก่ย่อมมีประมาณ ประมาณแห่งพระพุทธธรรมพระสงค์ไม่มีประมาณพิสารภูรมิชิกาจึงซกตุกแก่ในไตโลกระธานนตุนับมัดหินเม็ดทรายทองมหาสมุทรเม็ดแดดเม็ดรมเม็ดฝนนับมดยังบัตอคุณพระพุทธธรรมพระสงค์ยังบัตอพระเวสสุธทธิคุณยังบัตอพระปัญญาคุณ ยังมาทอพระมหากรุณาคุนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุแม่คุณครู่าอาจารย์คุณท่านพูะมิคุณร่วมคุณในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หิดเป็นเมื่องคุณคุณเป็นเมืองขินของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความนึกความคิดเทาบ่ไม่ประมาณคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แห้งบ่มประมาทพรสิทะรลึกเข็นบ่อะไรเลึอกเข็นกระซง เป็นของจริงของมีบ่ว่า ม, มีกังเว้นกังคืนไม่พูดอีกก็จริงอีกใครแครละเลิกเข็นหรือไม่ละเลิกเข็นขอตามคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นของจริงของมีอยู่ไม่ขาบระยะว่า ม, มีกังเว้นบ่ ม, นมีกังคืนคําวว่าพูดจริงบ่พูดอีกก็จริงอีกกมันเลิกกระดอกอริย้ น, น ขุนมาเรือเข็ค น, ค, น, ค, ค, นคุณนมาพุทธภัทธรรมประสงค์ก็บมิจยุนังสูวมาเรือเข็นสตายไม่ได้บุญคนมาเลึกเข็นคุณพระพุทธภัทธรรมประสงค์เป็นคนอักตรันยุบุปผ่างคือคนมาเลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณครูบาอาจารย์คุณท่านพระม่คุณมันเป็นเมื่อขืนของคุณพระุทธภัทธรรมประสงค์หมดคุณพุทธภัทธรรมประสงค์ก็เป็นเมืองขืนคุณของพระนิพพาน ไปร่วมเชี่ยวขันยุพน์มืดในไตโลกรธาตุเนี่ยพระนิพาณไปที่ดึงดูดขึ้นมือผู้ใดทำบุญกับพระนรพานไปพระนิพาณไปเครื่องดึงดูดขึ้นไปสู้พระนิพานเป็นเชี่ยวขุนผู้ใดทำบาปกันมรรคภเป็นเครื่องดึงดูดต้องไปยุพน์ไม่เป็นทั้งสองเศนเสศนบา ป, ปนนบหนึ่งเศนบุญนึง ตัวที่ว่าพอมาเกิดมันบดบดนน้อยเดียวนึงในนึงก็นิยนคาวว่าเกิดในนึงก็นิยินข่าวว่าแกว่าเก็บวา่ว า, วาตายไปซะเพาราพราท่านไว้เมือ่อกับท่านใดละ่ะผ้าเสียทีมาค่าเรื่องห้ท่านรักษาศีลภาวนากัมันเรื่องของคนซะเรื่องของตัวใไม่จฉาคิดขันมังง่ายมิจฉาพั พทพระธรรมก็พระสงฆ์กับพเอามาในี่ยหัวใจเรื่องไปมรรคกับเป็นเรื่องของเข้าจะเป็นนิท่านของเข้าที่นิท่านไหนท่านรักษาทินพระวานากับไ ม, ม่นิท่านของคนไะนิท่านท่าบุนอันใดอันหนึ่งก็ได้กับไม่ น, นิท่านของคนซะนิท่านควมอ่อนน้อมพร้อมพระธรรมควมเคารพนับถือกับไม่นิท่านของคนนิท่านของตัวนี่มื่อแจ้งแจ็คโครั้งมั่งเขโลไม่จะดื้อไม่จะดึงไม่จะทิฏฐิมานะ เดียว น, นี้แต่ข่าวเพลินข่าวดีกับมันข่าวเพลินข้าวซั่วมันข้าวโตไปพ้าเนผ้าโอ้ไปสวัไ ป, ไ ป, ไปโมระหกกับว่าอยากเอาไปไหนเนี่ยมาย่อมไปไหนเนี่ยการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารการท่องเที่ยวมาแก้ปัญหาของเจ้าของเพราะเจ้าของแก้ปัญหาเพราะท่านตก ยังในท่องเที่ยวในวัฏจักรสงสารอยู่คันแก้ปัญหาต๊กแล้วก็บอได้ว่าท่องเที่ยวในวัฏจักรสงสารก็เข่าสู้พระนิพพานซาบไม่ทุกข์ว่าผลไม่จะสุกข์้อนรนทุกขในสวรรค์ยังไม่ทุกข์ว่าผลอยู่ทุกขในเทวโลกก็ไม่ทุกข์ว่าผลทุกขในมนุษย์โลกก็ยังไม่ทุกข์ว่าผลอยู่ขันสิ่งไหนมันมาเที่ยวพระพุทธเจ้าพระจัตเจาเป็นทุกข์วัตสันเนียนี่ สวรรค์นีน่ยคเป็นทุกข์ของพระรหันต์ย่างเป็นทุขของโม่เฮาเป็นทุกข์ของในแต่โลกระ่ายเป็นทุกข์ของพระนิยาเจ้ามัดต่างเป็นทุขของโม่เฮาโม่เฮาถือมันเป็นทุกขเพราะเฮาไดเพราะเฮาก้มหลงของเฮายังเวลายอยู่เกเรต ย, ยังเป็นเจ้าเฮื่อมโม่เฮาอยู่ยังม า, าย่อผ้าให้วาเป็นทุกข์อยู่ ยังหลอกโม่เฮาอยู่เฮานะี่ยหลอกเข้าควรสร้างขวรญมามันขึ้นหลังสร้างหลังมามันก็ล่งเป็นยามอันกิเลสง่ายคิดง่ายใจโม่เฮาอยู่นี่มันเพท่านไหนลงขันไม่ท่านไม่ศีลไม่ภาวนาเนี่ยมันก็พ่อชีวเบาลงเนี่มันก็พญโยมไนไหน ขันโมเมธาไม่ศีลไม่ภาวนาญามไรอารมณ์ว่าไม่กุศลพ้บุญนะไม่ก็เต้นเหยียบหลังชีออ้ข้อเอาคอสับหัวอุปมาสมเพศเวทนาเจ้าของอังสุกิโตโหเาสันข้อเห้าจำเป็นทุกในพระพุทธธรรมพระสงค์นี่ทุกขโ์โหเบสานญาณไมีทุกข์ยับเทือ อเวโรโฮมิยาสุมีเวทนในพายานายจักเทืออัอพยาประโชโหมิยาสุมีพญานาเวียดเบียนอันนี้โคโโฮมอย่าได้มีคั้วปวยไข่คั้วปาศรนาของเหาสุขีอัตนริหาราจงรักษาความสุขของตนให้มันค่งถ้าวอน สัตว์ทั้งหลายก็คือกันสัพเพสัตตาสุขิตาห่นตุขอสัตว์ทั้งหลายตัวทั้งใจโลกาธาจงเป็นทุกอย่ทุกเมือบ่มีประมาณกาเทิในลึกใดเมว่ไรก็ดีสัพเพสัตตาเวลาหนตุกสัตว์ทั้งหลายทีมีข้อ้งสิงอยู่ในไมีคิดข้องสิงไม่ได้ใโลกาธาเนี่้มีเว้ในพ่ายแก่กันนะกันก็โม่เฮาไดทั่วทั้งใจโลกาธาทุกเมืองในลึกดเมื่อใดก็ดี โดยใจข่วมพมิวเวนยานของสิงไม่ได้ตงรกธาตุและเรื่องไดไม่ได้ก็ดีจงเป็นชุปได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อพมิวประมารว่าขาเถินแม้นโทษเป็นกรรมเป็นเว้นกนมามแต่ได้พบก้อนชาติก้อนอันไดก็ดีขอให้มาให้มาจากกญญารชาญในเว้นเวนในไพ่ต่อกันไปอีกอันนี้เรียกว่าเสียงพมีเวนในพ่เสียงขอดบขอดเว้นขอดไพ่เสียงหาเจนเวงเสียงตับเจนเืองฮาเจนเว้งขอด ผีเข่าเจ้าสุนเนี่ยนเสียงเว้นเสียงไพ่เสียงคุณสอนคุณบุญพระองค์เก้าเสียงธานเสียงศีลเสียงภาวนาเมื่อมันเสียงเว้นเสียงไพ่เสียงว่างเล่นว่างไพ่คือพระพุทธศาสนาเสียงมีเว้นในไพ่เยมันเสียงเรื่องอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาไปพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สางเว้นสางไพ่ พุทโธทำโมสังโฆอยู่ในคิตในใจของเฮาพุทใจธรรมใจสังใจพุทธโธใจธรรมโธใจสังโธใจท่านใจเส้นใจภาวนาใจบุญใจเอามาไว้เมื่มดร่ทอาไหว้ บ, บ, บ, หบนอื่นบ่อนิ่มบ่อนิมม่มงา่ายบ่อนักบ่เห็นมันนักกเิเลสในเลือกถือความดีของเจ้าของ แล้ลึกถึงความสัวที่จะคลองเห็ดมันจะค่อยหนักมากโลดพายในเห็ดซัวเนี่ยอะไรได้เห็ดย่างนักกับนักไก่โลดได้เฮ็ดยางเบากับเบาเ บ, าบาไ่ได้เห็ดเลยกขบว่านักส่วนกระสุด้นบนเนี่ยว่าวได้นักจะเถือนี่จะเบาเท้านั้นอารมณ์ของผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์จะไปในทางบนเป็นส่วนมาก ถึงสิไม่เครียดครบอมฟาดกระซามันทั้งพลิกเขมันไปเองมันไปบ่มีบรยูว่มีบรเพงมันทังพิกมาใส่เองมันเขาม่ได้เฮ็ดไว้แล้วใรน้อถงกุศลพบุญตัวไนเนระทันอันพู่ได้เฮ็ดจักเม็ดจะให้าจังไหนอันผู้ได้เฮ็ดไรมันก็จะรได้แล้วก็เ่รา้าเจ้าของ ใจเพืเดียวเป็นผู้สร้างบุญเป็นผู้ว่างแผนใจผู้เดียวเป็นผู้สร้างบาปเป็นผู้ว่างแผนผู้เฮ็ดแผนมีผู้เดียวท่านไวไฟจะไม่หยาิเฮ็ดตาหูจมูกลิ้นมันก็เพราะหยาดเฮ็ดญยาดเฮ็ดดีเฮ็ดซัวก็ได้มันใจเป็นผู้เฮ็ดเฮ็ดกับมันเฮ็ดห้ใจฮัลแล้วมันเฮ็ดหาผู้อือนถือว่าเฮ็ดห้ผู้อื่นเนี่มันก็ยักไกลโย ใจว่าเบียดเบียนใจเขาไม่แน่ไหสิบเบียดเบียนใจว่าเป็นที่พึง่งของใจเขาไม่ัน่ใจใเป็นที่พึง่งพระว า, าก็เอาใจภระวาระเพราะใจเป็นหัวหน้าว่าไม่ใจกับพระวาระว่าเป็นเรียกว่าพระวากับพระวาใจนั่นละสิพิจนากายก็เอาใจพิจนา สิษย์พ่จะน่าท่านศีลป์พวนากับมันเอาใจพระวนาพระวนาอันไหนศิลปว่ามันใจว่าเมืดอกทั้ดีทั้ง่วอันไหนศิลป์ว่ามันใจไปผู้ออกนากขบว่าเมื่อิลปรับรู้กเบว่าได้จักสิษปฏิเสธไส่ไผ่ไม่รันปฏิเสธเลยใจไอ้พอแก่ใจใส่ไผ่แก่ใจใจพ่หวังดีต่อใจไม่หวังดีต่อจับของใส่ไผ่มาหวังดี ตนเป็นที่เพิงของตนใจเป็นที่เพิงของใจท่าเป็นที่เพิงของท่ามันก็ไม่ข้อหมายอันเดียวกันด้านให้ท่าเข้าก็ได้เห็ดน้เพึนอยู่ด่านรักษาศีนเข้าก็ะดิเห็ดน้เพิึนอยู่ด่านภาวนาใหายนักทั้งภาวน่าเนี่ยย่ำเขาอยู่ซื้อยาำเขานอนเข้าเอาบุญได้อยู่กว่าสิลับกันนอนภาวนาเนียอยู่ย่ำเข้านั่งด้วยซื้อเข้าเอาบุญได้อยู่ เขากั น, นึกไปทั่งบุญแล้วก็ของบุญไม่แนวพ่อสิรดฐนึกโย่ไม่แน่วพ่อเิรษฐนึกไข่แล่วเข้ากด้เห็ดได้สางวายโย่เข้าก็สางขึ้นที่แน่วในพ่้เห็ดเขากับสาง ข, ขึ้นกับใจเอาบุญว่าในสางกรบสางขึ้นกับใจพ้าวหน้าว่าท่านเห็ดกับ้าวนาขึ้นกับใจ สีเฮ็ดหลายเฮ็ดหน่อยก็มันใจก็นพวผู้เฮ็ดสีขี้ข้านกับมันใจผ้าขี้ข้านสีมันกับมันใจผ้ามันสีโมโหท้อโศกกับมันใจผ้าเปลี่นสีเมตตากรุ้หน้ากับมันใจผ้าเปลี่ยนไงไพ่มาผ้าเปลี่ยนคนตายเพราะเพะเห็นมันเฮ็ดอย่างเอาไปใสไฟมัากับปติมันกับปะห้องเพราะมีเวนญ่านย่หันสิ่ล้มปลาใก็บความหัวความหาเขาได้จับทีมเสลงเบ้มนี่สิกับ่อจอบ่าเก็บ รักษาใจตัวเดียวก็ได้ยู่วแต่ม่รักษาหลายโตมันนึกไปทางบดีกระชั้นใจมันนึกไปแล้วบอ้อเอาก็ดึงมา้าหัวโตด้วยไปทางบดีเลยหันมาทางก็ไเบิดโถ่พูดเนื้ก็ดึงมาาถ้าระเบอ้อช่างไหนมันดีบดีเอาสีบของจักบ่เอาเค่อยพานประสบการณ์ว่าเขแห้งเหรอ ลดศาสตร์ของควบหลบควบโกดควบหลวงห้ากระเดื่ยมเพอแห้งละ่ะย่ำห้าโกดกับยามเ้าอยู่ซื้อเนี่ยสันลดของคิดของใจมันหนีกันไกลปันฝ้าปันแผ่นดินยามเ้ามีเมตตากรุณารดกับย่ำห้าเบียดเบียนนึกเบียดเบียนสั่งเพื่อนสั่งผนรดของคิดของใจมันกันไก่กันปันฝ้ากับดนินตัวอีพอไอเม่ยเลยเขาสร้างว่าสิบวเห็นธรรมเหตสิทธะ รถของเว่าเหลี่ยมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับรถของเห่าเหลี่ยมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันกับเพี้กันมันไม่อ่อนน้อมพร้อมพระธรรมมันไม่สังเวเสริจิตอารมณ์ของมันกับสบายย่ามันนึกไปทางสบายควมหอนมันกับนั่นพุเต้งคือมันกับหอนมาจากใจพุเต้งหอบมาจากเปลี่ยฝ่าอากาศย่มเย็นมันกัสิเย็นลงใช้ในใจน่ะว่างนะมูอเห่าขมักเป่ากันอยู่ เห็นาพี่แกหน้าบางดูโอ้ยกูกะว่าเสียใจดิวะท่านโตกะว่าขื้นกันเพิ่นกะว่าขื้นกันจักใจมันเสียไปใส่แหงว่าเสียใจเลยโอ้ยกูกะว่าดีใจดีเพราะว่าเจะไม่ได้ใจมันเสไใส่กระใจดวงเก่าจังสิดีใจว่าโอ้ยเสียใจดีวะท่านจะไม่ใจมันเสียไปใสอันผู้โจมโยนกับมันใจว่ามพี่มกหน้าบางคัดโตผู้เบาโยนก็ว่าขึ้นกันแม่นวะท่าน เสียใจดิเพราวะว่จาจมันเสียไปใส่อันผัวว่าเสียใจเอาใจว่าอยู่มันกระจาดวงเก้ายุหันมันเสียไปใส่สั่งอันนี้เป็นอุบายสอนเจ้าของอันผัวว่าอยู่นี่ก็คือกันอ่ะผัว่านี่ก็ดีใจเสียใจคือกันกต่ว่าอัเจ้าของคือกันฮ่าฮ่าเพราะว่านั้นดีใจมันยิ้มยิ้มเงยยิ้ ม, มใสกใจใเพราใจพ้า ย, ยิ้ม ฮ่าฮเพราะว่าเ น, นีดีใจมายิ้มยิ้มเหือยิ้มใช้ใจเพราใจพ้า ย, ยิ้มโมโหกับโมโหใหายใจเพราใจผ้าโมโหจะว่างเนี่โมโหเนี่ยผ้าตัวตายครอบเพราะเหตุผว่าก็บผ้าใจเนี่ยตาย ว่สิข้านนี้ถึงกับย่าข้านแต่ว่าหมู่จะว่าตกสีขานอยู่อันนี้มันสันสันสมมุติสันนไอ้หมดผันมีไปเอกสั่นพาวนาสันเล็กๆเข้าเขาพัดษาเปนี่ยเขาพัดษาแล้วผู้เคยกินเหล่าจะจะไปกิน แอ้วัดเอาเออกพัรษาแล้วไปยั่สุ ก, กินอีกผู้เคยเรียนเลขเรียนพลาใครพระกันวดซะสิสมาธาอย่างไดจะหามันเสียพรรษาพรรษานี่ยุมเมื่อคืนมาแล้วสีพอนอนอีกสิไหวพระสิทำการทำงานในท่างที่ชอบไม่นใช่การหาสมาทานไว หรือเชรักษาศีลเมื่อได้กินกระย่าหัวมันฟันษาเนี่ยกินเขาเขาเกลือกูก็จิกินเลยสั่งหรือจะเอาท่านจะเอาหายมีแนวทรมานเจ้าของจักอันทรมานไปทางดีเดี๋ยวมันทรมานไปทางซัวเข้าไปเฮ็ดซัวก็เรียกว่าทารมานไปทางซัวเข้าเฮ็ดดีไปทรมานไปทางดีทรมานมันมีสองทรมาน การท่ำกัมี่สองท่ำท่ำดีก็มี่ท่ำซัวกัมี่กรรมกัมี่สองกรรมกรรมไปทั้งดีกัมี่กรรมไปทั้งซัวกับมีกรรมกับมี่มโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายท่ำดีล่งแล้วผลมาประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควนค่าของค้นคาของเหตุท่ำซัวล่งแล้วผลก็บริยกได้รับกรได้รับตามส่วนควนคาของเหตุ สเสียพระเศษไปใช้ก็ไปบ่าอะไรตักบาตก็บตักหายใจฟังเทศกับฟังหายใจพี่จ้น้า ก, ก็พี่จ้น้าหายใจเข้าใจก็เข่าใจหายใจเข่าใจว่าเข่าใจลู่ว่าลู่ก็บลู่หายใจว่าเ็ลู่หายอื่นรู่ดีก็บลู่หายใจรู่ซัวก็บลู่หายใจว่าอื่นว่มีแนวมา อยาเอาเลยพเราคตรพิว่าว่าอันใดก็ว่าวใจใจใจท่นจะไปม่อนพระยังอยู่กับคนรตายไปม่อนพระว่าได้โคนเอาหัวใจตัวไปโคนรตายมาใส่มันไปม่อนพนระมันกับพรไปกับมันหัวใจพ้าไปนั่ง น, นี่ว่ายนลงทั้งใจนั่งสิ่กระใจผ้ารังขันว่าไม่ใจย้อนร่มเป๊มเย มีถาดที่เดีน๋นามไฟร่มพอยุ่งไว้พระพุทธเจ้าสางบรรมีมาวัางวาสิมาหรือสัตว์ออกจากวัตาทรสงสารหรือหลาเที่ยราทอค้อนง่วขวาเขาง่วนพรเพินก็นเอาอยู่อันเถ้าแต่สิหรือเอาจบของกระยังทงัง้งหญา หรือเอาเพื่นไปนั่งอยู่ห้องห้องเ่อทอพระองค์เจ้าหรือเอาหม้อเพื่อนเอาลูกเอาล้านเอาเพียรน้องเมื่อไปนั่งสามัคคีกันไปสามัคคีกันไปในช่างดีมันก็ดีสามัคคีไปทางชั่วมันก็ไปไปตกเหวหมดขันว่ามิิศาสนาพระเจ้าปนโลกเข้าอยู่เนี่ยโอ๊ยมึมีบนอยููโลกอันนี้มี่จะเว้นสนองเวียนไัยสนองไผ่โยนลุกนอมหย่าเออ เข้านั่งโยงเสียกับยูไปได้น่กาดกันหมดเนี่ยมาลรื่องเพื่อนพื่อนละแลนเสีากันลูมเสีกันคากาันห่ดละอันนี้ก็มี่งทำคำสอนของพระเจ้ายู่ในคิดในใจจิตใจเข้าไปจังหวะบ่านักไปทั้งหลบทั้งโกดทั้งหลงบันไดเบาไปบางไปยอเสมือสมือเข้าเห็ดควมดียอะสมือควมดีกับว่าบวกไก่เข้ายอเสมือมาใชกับยูคือเก่าผู้เฮ็ดัวเยอเสมือควบซัวกับว่าบวกไก่ ยศสมือสมือขันว่าวถังวันนี้เลยผม่มีวันไป่เน่นีท่านกับนี่ท่านของใจนิท่านทั้งดีกับมันนีท่านของใจนิท่านทั้งชัวกับมั น, นิท่านของใจวันเนาะพระปรมัดก็มัดเข้าใจพระสูตรก็สูตรของใจพระอภิธรรมก็เลิกกู้บัญใจเนี่ยอองอสัน ข้าทำบนทำบ่ทำกัดสพ้นบนท่อย่ข้างไหนวะังยสมัยไหก็สมัยของใจอเนีย่ยข่างไหนก็ข่างที่ใจทำ่ำละท่ำจะใส่ ท, ำา ท, าาทา่ำจเมืองใจนี่วาเพื่อให้เ้ามมห้าเขอใจง่ายปฏิบัติง่ายเอาลองส ง, งบงบางรูปบาีไยสงบภาวนาบางรูจะได้โดนเปนไหห น, นึ่งมงึงดูเอ้า ใครเคยภาวนานเงงนยนะก็สงบพวงรูฟังเทศฟังเทศภาวนามวงดูปอ๋อใครเคยภาวนาเนี่ยก็ภาวนาเนี่ยอร้องงูเห็นลมเขาร่มออกบ่ เราจะทำจิต บ, บนันเทิงหายใจออกเราจะตั้งจิตหายใจเข้าเราจะตั้งจิตหายใจออก เราจักรู้แจ้งกิถหายใจเข้าเราจักรู้แจ้งกิจหายใจออก เราจะพิจารณาความเมที่อย่างหายใจเข้าเราจะพิจารณาความเมที่อย่างหายใจออกเราจะไม่ถือมั่นใดๆในและผู้รู้หายใจเข้า เป็นแต่สักว่าจิตและผู้รู้หายใจออกเราจะไม่สำคัญตัวหายใจเข้าเราจะไม่สั่งสำคัญตัวหายใจออก เราจักไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกหายใจเข้าเราจักไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกหายใจออก เราจะไม่สงสัยคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหายใจเข้าเราจะไม่สงสัยคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหายใจออกครอบแปดหมืนสี่พันพุทธรรมขันธ์หายใจเข้าหรือหายใจออกพหายใจออก ไม่ใช่เรามันใช่ของเราหายใจเข้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหายใจออกไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นหายใจเข้าไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นหายใจออกเราไม่มีของเราจะมีมาจากประตูไหนหายใจเข้าผู้อื่นไม่มีของผู้อ <starving> ื่นจะมีมาจากประตูไหนหายใจออก พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายมารวมอยู่หายใจเข้าออกแล้วเราไม่ต้องสงสัยไปหาพระสติพระปัญญามารวมอยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วเราไม่ต้องสงสัยไปหาพระไตรปรกมารวมอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราไม่ต้องสงสัยไปหาอุบายใดๆของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมันก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราไม่ต้องสงสัยไปหา ผ่านไปหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวพ่อมกับลมหายใจเข้าออกอยู่ในซาลาเนี่ยเราจะสมมุติว่ามีแต่เราคนเดียวเหนือนั่นเข้าสู่พระนิพพานไปหมดแล้วเหลืออยู่ในตจโลกธาตุพ่อขับลมหายใจเข้าออกในโลกนี่เหลือแต่เราคนเดียวสมมุติอย่างนั้นเหลือนั่นท่านไปสู่พระนิพานพานหมดแล้วพ่อมกับลมหายใจเข้าออก จับตัวนี่ไว้จะพิจารณาอะไรตั้งรานล่านก็จับลมไวยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ทับเตดสำคันว่ามีเราหายใจออกพระาวาหน้ามันกับพระเป็นเอาอี่พ่อไอแม่ข้าเอ้ย คำวันนี้จากร่มเข่าร่มออกนะบ้าเฮ็ดคำนี้นะบ้รับร่องคนเป็นบ้าคนถิ่มร่มเข่าร่มออกคำวมาถิ่มร่มเข่าร่มออกนะบ้าเป็นบ้านะปล่อยร่มกลับไปแลนะไปเห็นอนไ้นี่คือมาล่อมมาร่อยไปทั่วทิพทั่วแดนนบ่ไม่สติอ่ะ ในชิริมาโนอนอาณาปณะสติสูตรย่างพิสดารพิจานาเนโรดควมรับตัญหาพ่อของเขาล้มหายใจเขาออกพิจารณาโรดโกดหลงว่ไม่พร้พ่อเขาล้มหายใจเขาออกคนคนพิจนาโม่ห้อยว่าท่านไหถิมแล้วแบบโรดมาตาเหลืองเห็นไฟเหืองมาได้แรงใสเห็นนีน่มีเมิตมันอื่นข้าว่าไปอีก ทีมอาจารย์เดิมว่าอะไรภาวนาบม่มีรักอันนี้จังทุกครั้งอาณาตาไม่จะทุกล้มหายใจเขาออกคุณว่าคุณพระธรรมประสงค์ไม่จะทุกล้มหายใจเขาออกข้อปวยข้อเน่าไม่จะทุกล้มหายใจเขาออกดินหน้าฟ้ร่มไม่จะทุกล้มหายใจเขาออกมรรคผลญาพานไม่จะทุกล้มหายใจเขาออก ต้องเสื้ออันนั้นลงว่าเสือ้ออะไรอย่างว่าจะทอดบุญทอดบุญมาไว้ครับลมหายใจเข้าออกทอดบุญทั้งหลายมาไว้ครับสติกระปัญนหน้าครับลมหายใจเข้าออกครับถอดไตเสีขามาไว้หัน บุญให้ทานแด่บุญรักษาศีลน่บุญภาวนาเดี่มกับผลนนตัวมันจะอยู่ได้บ่ผนจากความหลงจากของคนตัวเวลาเที่ยนสามทุ่มนะสามทุ่มย่สิบหา่ อ้าวเนี่ยผูใ้ใดสงสัยอันใดผู้ดใดอยากไห้ว่าเอ๊ยยังจะเปิดอาการให้ว้าเนี่หรือเขาเสีเลิกกันท่านนี้ไ่ได้เสร้ายได้เหมือนี่เศ้าเลยเนี่บัดมือได้มือนี่ือ ย, ยังมาท่านจุใจบันจูใจสิเมือ่อคืนฮะใก่อนอืม ให้พ่อ น, นั่งหานเน่อย no. ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนเทสะกะลงังเอวมมวายโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิตจุสเปปูเรนตุสังกปาจันโทปรารโสยะถา มณีโชติเโสยถาสพิติโยเอวจันโทสัพพะทุโขระภโยสัพโรโขวินาสตุมาเตปวัตต um ุันตรายโสุขีทีขายุโขภวะอภิวาทานาสีนิสานิจังุทาปัญญานจตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันสุขังภะรังไว้พ่ห้องกันเขาบอไปห้องไปห้องมันเนาะ วันเวลาล่วงไปชีวิตก็ล่วงไปด้วยโอ้ยผู้ขาวปวดปวดขานี่สันแต่นันมันยังงูมันขาเห่ามันก็ปวดตัตัวกันขาเามันจะปวดบวด่ผู้ขาวปวดขานี้เพราะว่ากต่ว่ามันขาเห่ามันก็ปวดตัวตัวอาบ เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนคนโคไปไหนมอบไปให้พระพุทธเจ้าองค์ทีหลังอยู่ในตัวองค์ข้างหลังอยู่ในตัวพระพุทธเจ้ามาตัทธรุมากกว่าร้อยโกดกลับก็มากกว่าอสองไข้อสงไข่ขกลับเสียแล้วเมื่อกลับมากกว่าอสองไข้อสงไข่ขกลับพระพุทธเจ้าก็มากกว่าร้อยโกดอีกจนนับไม่ไหวสาวกสาวิกาขององค์ท่าน ก็จะนับไม่ไหว้อกเหมือนกันถึงอย่างนั้นก็ยังทรมานเอาได้เพียงเขาโคลเท่านั้นส่วนค้นโคไปในมดต่อมว่าไม่ให้พระพุทธเจ้าองค์ที่หลังตะพึดตะพือคคำสอนใดในใต้โลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้น น่าห้่วหน่อกรองเมืองบางหนึ่งตาไหลลงสู่มหาธรรมาเตยโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดใดก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเชื่อมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งหลายๆทางเชื่อมในทางสูงเพื่อจูงใจให้มีปัญญา เฉมทิดจะมีกี่ร้านล้านก็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองคืนคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่พูดเอกก็จริงเอกในใจโลกธาตุสังหารี่มาซับอาสังหารี่มาซับวิญญาณก็ซับสักวิญญาณก็ซับ มันเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาสัพพคุคทั้งปวงในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพุทธทธรรมงงททสงฆ์อยู่ในตัวใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาใครจะให้ขะแนนหรือไม่ให้ขะแนนก็ไม่เป็นปัญหาความจริงในชั้นนี้มันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกทุกยุคทุกสมัยเป็นศาสนาเอก เป็นดิ่งเป็นดิ่งของชาวโลกถ้าชาวโลกวางแผนปีนเกลียวพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดนั่น น, นกฎหมายกฎหมูกดพักขดพวกก็ตามในใจโลกธาตุถ้าปีนเกลียวคําสอนพระพุทธศาสนาะแล้วก็ไปไม่รอดละอืมทําไมจึงปีนเกลียวพระพุทธศาสนาะก็เพราะบาละมียังต่ําต้อย ผู้ที่บารมีแก่ก้ามาแล้วต้องเลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้ที่ยังบารมีอ่อนจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ได้ผู้ตาไม่ดีจะสวนเฉมได้ยังไงทําไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาน้อยนะักก็เพราะเหตุว่าสร้างบารมียังอ่อนอยู่ยังเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ํา ดอกบัวที่เสมอน้ําและตูมและบานก็ต้องเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาทรงสั่งสอนอันเดียวกันไม่แย่งพรบกันเลยไม่เหมือนกฏหมายกฏหมู่กฏพักกฏพวกเปลี่ยนแปลงยากได้ไปตามกาละเทศอันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงยากได้เลย ทานศีลภาวนาอันเดิมไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็อันเดิมศีลหศีลศีลสอริสเกตทานนปานามสัมปนูทานอุปานามสัมปนูทานปรมาตถาณามสัมปนูก็อันเก่าศีลปานมีสัมปนูศีลอุปานมสัมปนูศีลปรมาตถาณมีสัมปนูก็อันเก่าเนคขมะปานมีสัมปนเนมอุปานมสัมปนูเนคขมะปรมาตถาณมีสัมปนูก็อันเก่า ขันติปารามิสัมปั n โนขันติอุปปาลามสัมปันโนขันติปรมัตถปาลมสัมปันโนก็อันเก่าสัจจปาลมสัมป a n โนสัจจอุปปาลามสัมป a n โนสัจจปรมัตถปาลามสัมปันโนก็อันเก่าอธิฐานปาลมสัมปั n โนอธิฐานอุปปามสัมปอธิฐานปรมัตถปามสัมปก็อันเก่าเมตตาปามสัมปเมตตาอุปปามสัมปเมตตาปรมัตถปามสัมปก็อันเก่า โมเบขาปารมีสัมปโน connection. เบขาอุปารามีสัมปโนเวขาปรมัตถาปารามีสัมปโนกันเก่าเรียกว่าอะไรมีสามสิบทัศให้ทานต่ำกว่าที่เราใช่สอยเรียกว่าหินาทานเรียกนาทานปารมีสัมปโนให้ทานขนาดที่เราใช่สอยเรียกว่าทานอุปปารามีสัมปโนให้ทานแบบของที่เราห่วงมาก ที่สุดเรียกว่าทานปารมัตถปารมีสัมปนุรักษาศีลอย่างต่ำๆเรียกว่าศีลปารมีสัมปนุรักษาศีลขนาดกลางเรียกว่าศีลและอุปปารมีสัมปนุรักษาศีลขนาดเด็ดเดียวจะตายด้วยเพราะรักษาศีลก็ตามเรียกว่าศีลปรมัตะปารมีสัมปนุจะหิวข้าวหรืออะไรต่ออะไรก็ตามจะตายด้วยรักษาศีลก็ยอมตายเรียกว่าศีลแะปรมัตะปารมีสัมปนุอันอื่นก็เหมือนกัน เป็นของเก่าพระธรรมเป็นของเก่าของพระธรรมจัมภุทธเจ้าเอสะธรรมสนันโธพระธรรมเป็นของเก่าเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาโคดมก็ถ้ากลับว่าเราเลื่อมใสพระพุทธศาสน า, าพระเจ้าองค์ก่อนๆที่ล่วงมาแล้วที่จะมาในข้างหน้าอีกด้วยเพราะมีคําสอนอันเดียวนะประมรธรรมทานมิัม์ปนูุข อ, อันเก่า สีลปานมิสัมปนุส like ีลอุปปานามิสัมปนุสีลปรมัตถปานามิสัมปนุก็อันเก่าในขมมะปานมิสัมปนในขมะอุปปานามิสัมปนุในขมะปรมัตถปานามิสัมปนุก็อันเก่าขันติปานมิสัมปนุขันติอุปปานามิสัมปนุขันติปรมัตถปามิสัมปนุก็อันเก่าสัจปาณมิสัมปนุสัจอุปปานามิสัมปนสัจปรมัตถปานามิสัมปนุก็อันเก่า อธิฐานะปรามสสัมปนโนอธิฐานะอุปปานามสัมปันโนอธิษฐานะปรมัตถาภารมิสัมปนโนก็อ่านเก่าเมตตาปรามิสัมปนโนเมตตาอุปปานามิสัมปโนเมตตาปรมัตถาภารมิสัมปันโนก็อ่านเก่าเบียคาปรามสัมปนโนเบียาอุปปานามสัมปันโนเบียาปรมัตถาภามิสัมปนโนอ่านเก่าเรียกว่าบาเลยมี30มสิบท ให้ทานต่ำกว่าที่เราใช่สอยเรียกว่าหีนทานเรียกนาทานอุมปันโนให้ทานขนาดที่เราใช่สอยเรียกว่าทานอุปปรารโนสัมปันโนให้ทานแบบของที่เราหวงมากที่สุดเรียกว่าทานปธ ร, ปรมัมะปานมนสัมปันโนรักษาศีล อย่างต่ำๆเรียกภาษีละปรมีสัมปันโนรักษาศีลขนาดกลางเรียกภาษีลอุปปรามีสัมปันโนรักษาศีลขนาดเด็ดเดียวจะตายด้วยเพราะรักษาศีลก็ตายเรียกว่าษีและปรมัตถาปรามีสัมปันโนจะเหี่วเข้าหรืออะไรต่ออะไรก็ตามจะตายด้วยรักษาศีลก็ยอมตายเรียกว่าษีและปรามัตถาปรามีสัมปันโนอันอื่นก็เหมือนกันเป็นของเก่าพระธรรมเป็นของเก่าของพระสมานเาพุทธเจ้า เอสัตมโอสันันโนพระธรรมเป็นของเก่าเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาโคดมว่าถ้าเกว่าเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระเจ้าองค์ก่อนที่ร่วงมาแล้วที่จะมาในข้างหน้าอีกด้วยเพราะมีคําสอนอันเดียวเพราะเป็นทำคําสอนอันเดียวกันนะเราเลื่อมเราให้ทานในศาสนาพระโคดมหรือรักษาศีลภาวนาในศาสนาพระโคดมก็เท่ากับว่า ให้ทานรักษาศีลภาวนาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือจะมาในข้างหน้าเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันมาเป็นลุกๆ ก, ก็เป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้แข่งดีแข่งเร็นกันเหมือนกฎหมายก้หมู่ก้อนพักก้พวกของพวกเราตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่ไม่แล้วสักทีเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนามาเขาลำเอญกันไม่ได้แย่งกันนั่นนั่นนั่นที่ไหนนั่นที่ใจนี่ที่ไหนนี่ที่ไก พระพุทธศาสนาสอนมากแต่ย้อนลงมาก็มีสั้นๆจงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทันย้อนลงมาเล้วะย้อนลงมาหาเอกจิตเอกธรรมคือจิตใจของเราถ้าย้อนลงมาเป็นสามวกวอกายวายจะอาใจถ้าย้อนลงมาเป็นสองข้อกายครับใจ ถ้ายน่นลงมาเป็นสี่ก็ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปถ้ายน่นลงมาเป็นห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยนญาณถ้าขยายออกไปเป็นหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจยน่นลงมาเป็นสองตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปขันทรัชใจเป็นนามขันทรัช ธาตุคืออะไรดินน้ำไฟลมดินคืออะไรธาตุภายในอัจฉริยะธาตุคือธาตุภายในผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังปืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นธาตุดินดีสเลตเนืะเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตา เรีวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูดอันนี้เป็นธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้อบุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโซงไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอ่านให้ย่อยนี่คือธาตุไฟลมพัดขึ้นว่างวนลมหาวลมเรลมอวกลมไอลมจามลมพัดลงว่างต่ำลมหายลมลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลมในท้องนอกไส้ ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกแยกธาตุออกเป็นสี่กองนี่กองดินเอากองไว้นี่กองน้ำเอากองไว้นี่กองไฟก็เอากองไว้นี่กองลมก็กองอวนี่พยาจิตรราชอยู่กลางนั่นก็ดินอันนี้ก่อนนําอันนี้ก่อไฟอันนี้ก็รลมตัวของเราไม่มีเสียเลยเรียกวาแยกธาตุ นี่เป็นรูปประธาต์รูปประธรรมก็ว่ารูปประขันก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปประทุกขก็ว่าเพราะมันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้ น, นแปลปวนแล้แต่สลายเหมือนกันดินแตกไปเป็นดินน้ําแตกไปเป็นน้ำไฟแตกไปเป็นไฟลมแตกไปเป็นลมพระบรมศาสด า, าสอนให้รู้ตามเป็นจริง <c oughs> เพื่อจะไถ่ถอนความหลงของตนเวทนาความเสมอสุขทุกข์เบียาความจํา ได้ไหมรูปคือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมณเห็นรูปในตาจำได้ว่ารูปอันนั้นรูปอันนี้เรียกวจักขุวิญญาณจําไม้เขาเรียกว่าสัญญารูปปััญญาสัทธะสัญญาคันทะสัญญาละสสัญญาโพธะสัญญาธรรมะสัญญาสัญญาแปลว่าความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารม พวกหมูนี่รลปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจับเป็นนามนามแปลว่านามังแปลว่าชื่อมันมันไม่ปรากฏเห็นว้ตาแต่มันปรากฏเห็นในใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแต่สลายคำสอนของพุทธศาสนาสอนเบื้องต้นสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติไปเป็นลาดับสอนว่าปลายสอนให้รีบเร่งปฏิบัติ ให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารอย่ามาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยนั่นสันติบายอย่านอนใจเธอทั้งหลายอย่านอนใจเนอะนอนอยู่ในลุมทานเพลิงถ้ายังไม่พ้นทุกข์เธอทั้งหลายอย่านอนใจน อ, น อ, ยในนอย่าถือวิสาสะเธอทั้งหลา ย, ยานนจยาทาะทาทตนให้ข้ามทะเลหลงของตนไปซะนี่ผู้สร้างบารมีแก่ก้าวมาแล้วผู้วาง อยากจะเกิดแก่เก็บตายเอกก็มนุษย์สมวัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วก็ปาถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติเอาไว้ทีหลังส่วนผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วก่อปฏิบัตนักขิตปฏิบัตนักธรรมอันใดที่พุทพ้นมากลับออกไม่แล้วเสเสถ้าพระเจ้าชมดูตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงพุทพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทิอนผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ยังอ่อนอยู่ก็มนุษย์สมบัตสวรรค์สมบัติพรมสมบัติ นิพพานสมบัติเป็นไว้ที่หลังผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาเนี่ยเห็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเห็นสมบัติสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเห็นพรหมสมบัติเต็มภูมิคือมันไม่ที่ดังยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแจกสลายจิตใจก็โอนไปเอ็นไปในพระนิพพานก็เลื่อมใสในพระนิพพานเท่านั้นผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาเนี่ยผู้ยังอ่อนอยู่ก็ต้องยินดีอยู่กับวัตถุนิยมวัตถุนิยม เราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังผู้ปฏิบัติเพื่อบรทุกนะ ว, ว่าจ้าสงสารเนี่ยปัญหาไม่มากปฏิบัติเพื่อรับเพื่อยอดเพื่อสรรเสริญก็ปัญหามันมากทําไมจึงปัญหามากก็เพราะเรายังบ่าเรามียังอ่อนอยู่จําเป็นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนั่นทีนี้จะพาทํากันทําอะไรก็ทําซะให้มันแลี้ยงไปซะ เออผู้ให้ก็ให้เพื่อพระเนรพนผู้รับก็รับเพื่อพระนรพนไม่ได้ให้เพื่อบูชากิเลสไม่ได้รับเพื่อบูชากิเลสมันจึงมีอันิสงส์มากตเตือนเสียก่อนให้เพื่อพระนรพลเพื่อรับก็เพื่อพระเนรพนดิ่งเลยเช่นเรา ปาถนะจะไปเราจะไปกรุงเทพอย่างนี้ไม่ต้องปารถนะดอกโคราชไม่ต้องปรารถนะดอกอยุทยาพราะขนทามันไปนั่นมันไปเองมันฉันใดก็ดีไม่ต้องปาถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติก็ได้เพราะขนทางมันไปเช่นนั้นเอ้าว่าซักที่นี้น เเมียแต่เทเวด า, าเทวบุตรไม่มี ปัจทานะหม่บุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปัจจัยนโมทนาไหมบุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญธรรมัดสมาธิใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทสนาไมัยบุญสาเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ตรงมีแต่กองบุญทั้งนั้นกองบุญเป็นกองกองมากองอยู่ที่ใจถ้าทําบุญก็เป็นกองกองอยู่ที่ใจถ้าทำบาปก็เป็นกองกองอยู่ที่ใจทําบุญก็คือทําให้ใจทําบาปก็คือทําให้ใจ เพราะใจเป็นผู้ทำจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกเลียงกายมันก็ไม่รับและมันก็ไม่ปัดอีกด้วยและมันก็ไม่อุเบกขาอีกด้วยเดียวๆพระห้อ ง, ง, ง, งนี้าสีอะไรอางนี้อ่าเนาะเนาะโเราซีหลังอะไรเนาะไายคว้านะเนาะยะธาบริวารปุราบริโพเรนนิสากลางเยอมเยาว์ินนเปตาังอุปกาปฏิ ปจิตังปิจตังตูมหังเีวะสมกเพผู้เรียตูสังกะปาจันโทปนารโสยะถามณีโชตระโสยะถาสพีติโยวัจจนตสัพพตุโขโทภโยตุโขโภเวนัสัตตุมาเตะวทวนาโยสุขีติคาโยโกอภิวาทนาสีรสจังมุฒาประชาโยชตาโรธมาวัจันติอายุวันูสุขังระสะพะพุทธานุาเวนะสพะรรมานุภาเวนะสะพะสรางานุภาเวนะรุทธรัตนังธมรัตนังสรรัตนังติณังรัตนานัง อนุภาเวนะจตุรสีทิสังตสมะคันธานภาเวนะวิตกัตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตพิยาสเปเตอันตรายาสเปเตอุปัตตวาสเปเตปุณณมิตาสเปเตอมังขราเมนะสันตุอายุทธโกตกานวัทโกตกาสิณวัธโกตกาญาสาวัโกตกาภนวัทโกตกาวันวัทโกตกาสุขวัทโกตกาหัวตสทา สุขโรขปยาเวลาโสการสตูจุปัตตาเนสาันตรายปิเมรัสจุยจเทศัสยาเชยสิทธิทัตหนังลาปังโสติภักขยังสุขังพรงสุริอายุจัมโนจะโพครังมุติจยัศวาสตวรรษสาจะอายุจะชีวสิทธีพวันตุเตภวัตุสะพมังคัระัมเทวตาโสภพทานุภาเวนะสัทธาโสติพวันตุเตภวัตุสะพมังคัระคัมปสเทวตาโสภธรมานุภาเวนะสัทธาโสติพวันตุเต พรวันเรสัพพังังังักันเถรสัพเทาตาสภาสร้างคาโนภาเวนะสตาโสตีพระวัเตอยู่ทุกเมื่อมีประมาณนั่นเถิดเตทอดทั้งตจโลกาธาตุวุตโตธโมสโคนิพานัง <c oughs> <c oughs> คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกมีในทางมีในพระพุทธศาสนาสิ่งดีออ ราชนะอื่นไม่มีลมหายใจข้าออกมีอานิสงส์ามสิบประการกายคตาคสติมีอานิสงส์ยี่สิบเอ็ดประการพรหมมหานมีอานิสงส์ิบเอ็ดประการพุทธาธรรมาสังฆาจ า, าราศิลาเทวตาอุปธมากายคตา ไม่ใช่กายักษตามีอานิสงส์ยี่สิบเอ็ดประการพุทธาธรรมา ส, สังกาชีราชากาเทวตาเหล่านี้มีอานิสงส์ิบสามประการแต่เมื่อเราเจริญลมหายใจเข้าออกแล้วเราเดึงกรรมฐานอื่นมาได้มดทั่วทั้งทยโลกาธาตุทั้งแปดมือสีวระธรรมกันมารวมอยู่ที่นั่นด้วย พุทโธคุณของพุโทโธก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณพระธรรมโมก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณสังโฆก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธแปรภูรูละบาปบำรเพนบุญธรรมโมทรงไม้ซึ่งละบาปบำรเพนบุญสังโฆปฏิบัติละบาปบำรเพนบุญทกลงพุทโธธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่อยู่ที่แห่งเดียวกันทีนี้ จะสมควรแล้วหรือไม่จะออกจากนี่จะไปไหนเออไปถ้าอย่างนั้นเอาละเพียงนี้พอแล้วนะเออเอาละ เดี๋ยวเดียผู้ขับรถมานี่ไหมฮะว่าไห ม, ไ ม, มอยู่ข้างล่างแผนที่มีแผนที่แผนที่จะออกไปนี่มีเนี่ยอยู่อยู่หนังสือเล่มใหญ่เล่มเล่มหนาเล่มนะเล่มหนาเล่มหนาเล่มหนะมีแผนที่มีแผนที่แผนที่ททเออนั่นนั่น น, น, น, นอยู่หลังหลังกบกันออก ออกไปนั่นแหะเอาไปตามนั่นแหละเนอะเวียนนี่เนอะเอาภูนี่ไปใส่มือเนอะห่ยไปนี่ไปนี่เวียนนี่เดี๋ยวเดี๋มีรถกี่คันมานี่คันเดียวโอ้รถอะไรใหญ่โตหอ ท, ทันนะเข้าใจเข้าใจออกไปทางนี้เนอะห น, น่เวีย น, ย เ, น, เ, นเวียนใส่เนอะหน่เนอะเวียนใส่ภูเขาเอาภูเขาไปใส่มือแล้วไปออกจากนี่ไปประมาณสามโลก็ถึงบ้านแห่งหนึ่ง ถึงบ้านแห่งหนึ่งแล้วก็มีวันทางทะลุผ่าชุนกลางบ้านเขาออกไปทางขวามือก็ไปทางนั้นแล้วก็ไปประมาณหกกโลก็ถึงถนนหลวงหรือไปเลยไปร้อยเอ็ดเลยทีนี้นอืม ฮะอืมฉันเฉลี no ่ยวเออเออเออว่ะเออมันชุบมันซุบไหมันชกมันซุบออมันชกมันชุบมันซุบ พิจารณาเห็นลมหายใจเขาออกพรอมกับพิจารณาอันนี้จังทุกขรังอนัตตาเป็นแต่สักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นเพรานั่นเราถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานเล้นะเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นพรอบกับลมหายใจเขาออกเพราะลมเป็นตาสักว่าลมเพราะผู้รู้ว่าลมลมก็เป็นตาสักว่ารู้พพรเพราะว่าจิต ก็เป็นราศักด์วาจิตไปทางรัทธ์ทำไมจึงไปทางลัก์เพราะเคยภาวนาผ่านนิมิตทั้งหลายมาแล้วแสงดวงแสงดาวแสงพระอาทิตย์หรือขนพองสยองเกล้าหรือปรากฏว่าเหอเหินเดินอากาศสารพัดวัดเวี่ยงหมดกำลังก็ถอนออกมาพราะได้ผ่านมาแล้วเหตุฉะนั้นจึงยินดีพิจารณาอย่างนั้น พอผ่านแต่สังขารและความทุกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมาปรากฏให้เห็นมันก็มีแต่เกิดกำดับเท่านั้นสิ่งไหนที่เกิดดับสิ่งนั้นก็คือทุกข์ดีๆนี่เองจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันเป็นปัญหาสิ่งที่มีวิญญาณความเสียงกับกันกันไม่มีวิญญาณความเสียงกับกันกันอานิจตาเป็นผู้ครองโลกทุกขตาก็ผลของอานิจจาอนัตตาอันของไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง อันนี้จังทุกขั้งอนัตตาไม่ได้อยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันเป้าลูกเป้านามนั่นเองนอกจากที่อื่นไม่ได้ย่ไม่ไม่ได้อยู่ อ, ยอันนี้จตาทุกตาอนัตาตามันเกิดอยู่ในเป้าของสังขารกองนามรูปเป็นเองเป็นเป็นสังขารเป็นกองทุกขถ้าเห็นตามเจริงในกองนามรูปแล้วลูปที่เห็นด้วยตาธาตุดินทั้งหมดธาตุไฟทั้งหมดธาตุน้ า, น า, นาทั้งหมด ธาตุลมทั้งหมดเป็นรูปขันเป็นรูปพระโลกเป็นรูปสังขารเกิดขึ้นเนี่ยเแปรผลนนแต่สลายดินแต่ว่าเป็นดินน้ําแต่ว่าเป็นน้ำไฟแต่ว่าเป็นไฟลมแต่ว่าเป็นลมเว่นาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกั น, กนเกิดขึ้นเร็วนะักดับเร็วนะักแปลเร็วนะักดับเร็วนักหาระหว่างไม่ได้ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนตรงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงแหง่งความหลงของตนเท่านั้นเอง ภาวารวมศีลลงมารวมสมาธิลงมา ร, ว ม, มามารวมปัญญาลงมาเป็นแต่สักประโเป็นแต่สักประเห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พวกคนเรียกว่าถอนอุปาทานในตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานก็แตกไปเจนเพราะไม่มีวิญญาณปฏิสนทิผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารมันก็ไม่สมเกียี่ย ไม่ได้ปฏิบัติหลอกกินขนมเขาไงปฏิบัติเพื่อคนทุกข์มันก็ต้องไปทางรัฐสิยี่สิบสามสิพันสาปฏิบัติมาสองปีสามปีแล้วก็มาติดอยู่ในนิมิตอยู่มันก็ไม่ถูกนิมิตทั้งหลายมันเกิดขึ้นและดับไปนิมตก็แปลว่าเครื่องหมายถ้าหมายไว้ในรูปกรูปนิมิตถ้าหมายหมายไว้ในน้ำก็น้ำนิมิต นิมิตแปลว่าเครื่องหมายกรรมฐานเดิมของเราเป็นนิมิตเดิมเมื่อเราเรานิมิตมารวมไว้ในกรรมฐานเดิมของเราแล้วเครื่องหมายเดิมแล้วกรรมฐานอื่นอื่นมารวมอยู่ที่นั่นหมดในไตรลกธาตุถ้าจิตของเราลงเป็นหนึ่งแล้วกรรมฐานอันอื่นอื่นก็มารวมอยู่ที่นั่นสมาธิก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งจิจเป็นหนึ่งแล้วศีลก็เป็นหนึ่งสมาธิก็เป็นหนึ่งปัญญาก็เป็นหนึ่ง นี่พิธารเวลาข้าวไม่หมดวิสุทธิเนี่ยพานก็เหมือนกันเพราะวัดทั้งหลายก็มารวมลงเองกนิบาทแห่งเดียวกันแปลว่าบททำเมีบทเดียวถ้าจะขยายขยายออกจากทย้อนลงมาขย้มาหาหนึ่งนั่นเองสัพพทุกย้นลงมาหาเอกะทุกสัพพโรกย้นลงมาหาเอกโลกในปัจจุบัน สัพสินยนต์ลงมาหาเอกศินในปัจจุบันสัพปัมาธิยนต์ลงมาหาเอกสมาธิในปัจจุบันสัพปัญญายนต์ลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันสัพปสมุติยนต์ลงมาหาเอกสมุติในปัจจุบันสัพาวิมุตยนต์ลงมาหาเอกับวิมุตในปัจจุบันเราลู่ตามเป็นจริงของผู้รู้ลมก็ลู่ตามเป็นจริงของลมไม่คัดคาดผู้รู้ก็ลู่ตามเป็นจริงของผู้รู้ไม่คัดคาดใครลมลมอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใด ใครเป็นเจ้าของลมใครเป็นเจ้าของผู้รู้ใครเป็นเจ้าของธรรมธรรมแปลว่าเป็นของกลางไม่อยู่ทรงอยู่นะนู่นตามเป็นจริงของผู้รู้ไม่ยึดถือผู้รู้ไม่ยึดถือผู้เห็นไม่ยึดถือผู้ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์ก็ไม่ได้ยึดถือศูนย์ว่าเป็นตนตนเป็นศูนย์บางท่านก็บอกว่านี่ฉันภาวนามันไม่ข้ามเวทนาถ้าทํากันว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ไม่ข้าม ถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ข้ามถ้าสําคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รูมันก็ไม่ข้ามถ้าสําคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายมันก็ไม่ข้ามถ้าสําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ไม่ข้ามถ้าส come ําคัญว่าสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญามันก um ็ไม really in ่ข้ามถ้าสําคัญว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารมันก็ไม่ข้ามถ้าสําคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นเวียญาณมันก็ไม่ข้ามถ้าสําคัญว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตมันก็ไม่ข้ามอดีต ถ้าสำคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตมันก็ไม่ข้ามอนาคตถ้าสำคัญว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันมันก็ไม่ข้ามปัจจุบันมันก็ไม่รู้เท่าปัจจุบันเมื่อไม่รู้เท่าปัจจุบันแล้วมันก็หลงในอดีตอนาคตอีกโดยในเอาละท่นี้เมื่อยแล้วไปพร ะ, ะเทสะชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทั้งหลายอันไม่มีประมาณพระเทสะชั้นที่สองคือ พระปิเจตทั้งหลายอันม่มีประมาณพระเทละชั้นที่สามคือพระอรหันตาศีณาศกนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยและกม็มีประมาณอีกด้วยพระเทละชั้นที่สี่คือพระอนาคามีนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยพระเทสะชั้นที่ห้าคือพระสรักธาคามีนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยก็ไม่มีประมาณอีกไม่มากมายหลายรุ่ พระเระชั้นที่หกคือพระโสดาบันนับทั้งเพศชาะเพศหญิงด้วยเมื่อพวกเราทั้งหลายเนี่ยทผิดพระเทระทั้งหลายเหล่านี้แต่ต้นจนอวาสานดังพันธนามานี้ด้วยกายกรรมสามวชีกรรมสี่มนุกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พวกกว่อนกนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็า ด, ดีด้วยเดชพระเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงโอโหทุกให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลชุดท่ายพวกเราทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนา ของพระสมาชิกพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถือในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มานี้ก็ดีที่ไม่ได้มาก็มีหรือทอทั้งไตโรกธาตุก็ดีต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่ในพกกธก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกทนหน้าทอทั้งไตโลกาต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแต่แต่กันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณ เป็นมิเป็นสาหายปฏิจจคุณเพลียแข ก, กันและกันอยู่ทุกวันไม่มีประมาณมุทิตกุศลฝนบุญให้กันและกันอยู่ทุกวันไม่มีประมาณย่อมพ้นจากทั้งทุกข์ทั้งโศกสั้งโรคสั้งเวรทัอันตรายใดทั้งสิ้นทุกข์ทอดหน้าทอดทางใจโลกาด้วยเดชพระพุทธศาสนาธรรมศาสต ร, ร์สนาสังกศาสตร์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณเทอนอรหังตุมต้มห่งนี่เป็นธรร ม, มิตาบาง เอวังหตัเยวังหวตัโยาภเรมจตัาะปมาจิตโตมังโลกังมพาเศีปรมตโตจันติมายะตะปปังกตังกัมมังปูชเลนะปิหิยติโมังโลกังมาาเปรมตโตจันติมาอภิวาตนาชีนิะนิจังมุตาปิชายโนชะตาโรธรรมาวัฏฐันติอาวันูสุขังปะาออออชยก่อ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 ใจอย่างนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตาโนภาชนาเท่านั้นกําหนดพิจารณาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นโดยใจความก็สัจจพัฒน์สี่นอบลงสู่อนัตตาธรรมมีกายเวทนาเจตธรรมเป็นต้น หรือดใดใดนรกล้วนอันนี้กลางใดใดนรกล้วนทุกขงังใดใดร่้วนอนัตตาอย่าอย่าต้องใช้ใดนาทั้งอดีตทั้งอ น, งนาคตก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นนักหนักอะไรใช่ห้หักขอวัดจะขอหน้าล่งไปรุมไปยังให้ลงไปพร้อมกันไปตามสติคำนั่งปัดกวดลายกันให้มีขอวัด จัดแจงแจงอันนี้คือจดสุรินกันจัดสุรินีไข่เต้เน้นตั้งหน้าตั้งในก็ไเลยอันนี้คือกันย้ำเวลามาสั้นนำห่อหนึ่คือกันให้เก็บให้เมียนชอยกันให้มาพร้อมกันขนมามาพร้อมกันมันนมันลําบากแก่พวกเน้นเวลาเท่าไดสินัทกันเท่าไดซ้ําไหนไข่ผ่ากันมาบายสามแล้วไข่มาหอดในรถมาหอดลงไฟเพราะมีนาจิกาอยู่ทุกคนแล้วยาชุด ผู้หนึ่งมาแย้มหนึ่งผู้หนึ่งมาย้มนึงมันลาบากพกเขาแต่งใหยุไหกินไหสันหมาพออ่อมนกันคน ต, ตีละครัง้งกันมัต้องตีหรอกแยามของ ไ, ไครใครจถูกจัดตัวตีแงขงเขามันบ่มันคนกับไม่นาริการทุกคนนะอะไรทคนเพ่นผู้ใดใดเตตนโมกขวาจะนโมผู้ใดใอิิติปิโสขวายใอิิติปิโสก็ได้แต่ทั้งคนเพี่อนจับสตกำลังของไครทงมันคนคคัดของยมได้ให้มาถามเา คัดของอะไรมาถามเจ็บปวยกวด็ดีหรือคัดของมันถิ่เป็นบ้าปเป็นง้อกวด็ดีหรือไม่เจ็บปวดอันไรก็ดีให้มาถามเขาค่ะนอนยกกระซ้างให้ปุ๊บอรรถพราวนายกกรตามให้เขาหาได้ยยืดทุกเมือ่อว่าให้ลาบากคัดของได้ไหก็ได้ว่าคัดของในด่านพระวนาวดีนี่เราดานเจ็บปวดกวด็ดีหรือมันถิเป็นบ้าเป็นหง้อหรืออะไรก็ขึ้นกันให้เขาหาได้ยือทุกง่าม่ว่าจะย่ามเขาภาษาย่ามออกภาษาก็ขึ้นกัน ภาคการตั้งใจปฏิบัติตามสถิติกำลังของมูฮั่นของคนเอาตัวมูฮั่นเป็นกรรมฐานพ่อแห้งแล้วขันีผู้ใดว่ากรรมฐานกรรมถอนนั่นสัทธาก็เทียบใช่ไหมฮาต้องตั้งใจปฏิบัติตามสถิติกำลังของเฮ้าอย่าให้มันเสียปีเสียเดือนผู้มาบวชสามเดือนก็คือกนรยัดจุบเอาเดือนไปอ่างเพื่อจะซื้อทำความเพียรตามสติกำลังของเฮ้าเคยภาวนาผู้โภาวนาผู้โทน้อมนหันหลับบริกรรมในหันลับบัตรตดกับบริกรรมในสมเก่าไปเวีินเทวดากบบริกรรมในสมเก่า กับมากบบกับพฤติกรรมท่สองเขาญาติจะไปคุยกันงงๆแงๆจับคู่จับคิบผู้เขามากวัดมากว่าเขาสังเกตแต่ได้เขาได้เบิร์นซื้อได้พระเขามาในวัดแน้ว่ามีหาเมตถาภาวนาบอกเลือหงหามากไปหรื้องไปบินทบาทขึ้นไปไล่เหนื อ, อไล่เถิดนี่ช่งคนช่งภาวนากับช่องมหภาวนามันหุยจักเด้บัดย่างกับหุจักเด้เยลี้วหนาเลี้วน้ำกับหุจักคนภาวนาบว า, าวนามันมีสติอยคนภาวนาสิเลี้ยไปใช้มันก็มีสติโย สิว่ามันก็มีสติคนมาภาวนานี่นก็เปิดจางฟางเลยนะเนี่ยบอกท่านว่าคนม่นมีสตินี่ยแล้วการคัดของยาแก้พิดแก่สงฆ์พูดได้ ว, ว่าท่านได้ให้แก้ให้กันให้บอกกันไม่ใช่ใส่เพราะเราว้างให้มันดีพักกันแพ้เมตตาแนละ้วมันยนังเราะพอมันสัดปลากขาไม่ร้ายได้งูเงียบเกี่ยปอมพักกันแพ้เมตากกเมตา สิ่งที่มีวิญญาณค่องสิงก็แน่ต่โลกธาตุน่ยผู้ขาเรื่องไร้เรื่องไร้ก็ดีว่านผู้ขาขอเป็นไม่เป็นสาหัสปราชญ์จากเวรไพโยชุกเมือบอกพระารไพ่เข้ากรได้อยู่มื่อาร์่ซื้ออาวรีหรอกเอามันคับเข้านี่ยนะว่าขอเป็นไม่เป็นสาหาสปราชญ์จากเวรไพโยชุกเมืองยังมีเวรในไพ่กันเ้อะสิอุทิกุศลพ้นบุญหายโยชุกเมืองงอนรักความกุศลของกันและกันทุกตวนาทั้งใจโลกธาตุโยทุกเมืองบนเรี่ยพระว่านกขาเสือต้องพริกยิ้มพริกไก่เส่เลย ใส่อยู่คพือปากาเข้าเน่ยขันเน็บโย่เอื้อขันเข้าว่าเอามาเขียนมันก็บอเป็นประโยชน์อันนี้คือกันแหละมีโย่แต่ว่าเขา่เอามาอุ่นมาวามันก็บ่กมีประโยชน์นะว่าสัตว์เดียวอ๋อเดี่วเจาบ่มีแนวบอกยังส่วเศษพันสาของสาคล้ายหนิพุนบอลุนกลางโคกพุนรักพุนไม่คนไหนจะไปเราคงข้าเคลื่อนมันกระบอกมัถึงได้หีอยะทุพหัไปขันจะไปออกไมเศตวัดเศตว่าไป้ช่างนี้ตองมหายลาเข้าสกอนยะทุพหักกันไปตามอำเภอใจเข้า ของหมายบอกงสันว่าพระเจักว่าไปตายไปยังไปทางไหไปทางไหบ่บอกบ้าบ่บอกมันมันเป็นเอาวะหายเจ็บหาป่วยมากพระเจักว่าสิไปยังไปยังไปใสออกจากนอกเขตต้องบอกต้องเล่าคนหนึ่งบ่บอกคนหนึ่งก็บต้องบอกคนหนึ่งไว้หาทีถามกันขัสิใดมันขัดสิใดหงุดหงิเมื่อถอยก็ต้องความาพูนันไปหันพูนี้ไปนี่เอาจะพยายากไปใสเอาจะพยายามโย่ไปหรือบ่หงุดหงิดกันมันก็บมเป็นเอาวะจะไปเป็นไปตายสิได มันก็มาทับเข่าเนี่ยดีก็มาทับเขาส่วนก็มาทับเข่าในวัดนี่ก็ได้มาทับเข่าก้อนหมูเด้่หมูอื่นหรืออิตะบันสีเหลีกเนี่ยนี่หมายความาส่วนร่วมว่าส่วนตัวของมุค้นกัของไฟของม่นเนาะพระวนหาวันถอะมัดตายผู้อื่นหันใจให้กับอะไรด้มันจับของเนี่ยหันใจอัจหิอัจรอนาโถต้นเป็นพ่อของตนหลังเพื่ผู้อื่นก็สมประสงค์มากไม่สมประสงค์มากน่ล่เขายูสีเนอื่นเขาก็เพิงกันเนี่ส่วนบัจจิตตายเพิ่งของไฟของม่านเนี่ยมัน ส่วนสิบ้าว่าหน้าถือก็ถือส่วนสิพลิกใจซื่อเครือัตรถือเพิ่มมือเอื้นว่าไรได้บ้างเห็นชานิทัาก็เกียมไหมเี่เข้าไม่บุญร้ายก็เข้าจังเลยมาจำพรรษาอีกเมื่อชัตเขาตายไปสักยาำแหลกงสยไม่เสียงงั้เจ้าว่าเสียไรซ้าไหนพวกเขานี่วิทยมือไรจังหาวิทวิทไม่หน้าที่ไรจังหวะวิทย์ได้อะเท่าไรมันชวนแย่มากแล้วอันน้เจ้ากศกวัวหม้อหม่อมพรรษาจักสิบหว่อมมณีหรือมืออื้อนหรม่จักจักที่าติหอดกุฏิเอาไปจักี่ เดีวเสัน้นเถอะข้าตายผูใ้ใดพี่แกหน้ า, ามตายเป็นอารมณ์ผู้นั้นเสมีอั น, นิสงหลายอยู่มหัพพารามหาในสังสารของพระเจ้ามหัพพารามหาในสังสาเนี่ยหาประมาณบ่ได้เลยร่มหายใจเขาออกก็ยังไม่ประมาณด้วยก็มีอั น, นิสงอยู่สามสิบประการรมหายใจเขาออกตายยักษ์ตาสติมีอั น, นิสงยี่สิบเอ็ดต่างอ่ายี่สิบเอ็ดประการพี่แกหน้าขุนพระผู้ประทับพระสงฆ์มีอั น, นิสงสิบสาประการ เทวตานุสติ่กว่ิดีเทวถึงเทวตากวดีพิจารณาลายจักระทาสติเนี่ยพิจาราร่างกายเป็นของกุลเปรย์เราไม่อาอันนี้สงีสิบยี่สิบเอ็ดประการส่วนพิจาราควบใจเนี่ยมหาประมาณว่ไม่ไรมหาในท้งสามหาพระามหาในท้งสามมันมีประมาณเลยพวกมเรยาหานแพรเมตตากับมิอันนสงสิบเอ็ดประการอันไหนกระชากขันพิจาอนหนึงมันก็ร่วมใช้กันมัดได้เลยบอกสัตวา มันก็ขึ้นยกกับปรรยาาของไฟของมันสันนึ่ก็ได้ไปเอาละคาเลเอาระคาไปเรื่กันท้องไปอะไรอ่ะใรได้บออะไ็พมืมุนเบาลบอฮะใช่เกาะมันมันมันมันยังเบี่ยงอยนี่มันยังเบ่ยงด้วยแล้วอันไฟละสี่ดา ไข่ ian, hand, เปียน้ดูเนียไ่เปีะหน้าดู๋ยมือนี้ไปหน้าดูฝนเนอน่ับแตมมือนี้ไปหน้าดู๋นดูฝนเอะีพระพิณนับแต่มือนี้เรไปเรียกว่าดูฝนเราดูฝนขันมดฝนมดตตวางเดือนเก้าเดือนเชบนี่ยก็เรียกว่าเรียกว่าแรงบ้านนัดว่าแรงได้บ้านนับแต่มื่อนี้ไปละ้าดูฝนเนี่พระผู้ส้มผู้ใหญ่ส้มผู้ใหญ่มผ้าเก่าขอฝากนะและพากันตักเตือนกันด้วยเมตตากรุณาเนี่เนาะ พูดเดียวบ้างมาไหวได้ท่าม่าน่ะเล้วไอ้ไรมาห่ะบอไรมาห่ะบอฮะเอาผาอาน้าไาให้แน่มาบอเออขันมันม่พอดเอาอีกน้ำพลก็ได้รู้น่านี่น่เนเนี่ยเยอเนี่ยท่านนั่นมาเดีไยมแน่ มาวะเออขันมันมาพอดเ อ, เอาอีกนำพนกันได้รึวะเอ้านี่นเนี่เอะเนี่ยท่านนั่นว่าจมาหรอเออนั่งจะปัญหาเพื่อจะให้เรา อ, อธิษฐานเอากรไดรึกอธิษฐานเ อ, กนกอากรได้กรได้ ศินห้าสินห้าเป็นพรมจันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนารักษาศีลก็คือรักษาตัวเองนั่นเองก็คือรักษาใจเรานั่นเองเพราะสินห้ามารวมอยู่ที่ใจถ้าใจรักษาดีเขาไม่ร่วงละเมิดกายวายจะไม่เป็นปัญหาถ้ารักษาสินห้าให้บริบูรณ์สินห้าก็เป็นเชือกห้ากเกลียวมารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียว ต่อไปนี่ก็ว่านาโมนาโมก็แปลว่านอบน้อมพระสมานาพุทธเจ้าว่าถึงสามครั้งก็นอบน้อมพระสมานาพุทธเจ้าถึงสามครั้งที่นี่ทุติส ต, ติถึงพระพุทธธรรมประ ส, ะสงค์จนจนถึงสามครั้งก็ไม่ว่าแต่สามครั้งล่ะอันนี้เราว่าพอให้มันเหมาะกับเวลาถึงจะระลึกได้ไมันนึกได้ก็ดีก็ถึงพระพุทธธรรมประ ส, ะสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่ว่าแต่สามครั้งล่ะชณคมังขนางนิติตังก็แปลว่าจบใสนสถานคมเพียงเท่านี้ว่าอย่างนั้น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 พุทธังสรณังคาชามิธรรมังสนรณังคาชามิทุติยมปพุทธังสรณังคาชามิทุติยมปิธรรมังสรณังคาชามิทุติยมปิสังังสรณังคาชามิ ตยัมปิพุทธังสนังขจามิตยัมปิตัมังสนังขจามิต่ยัมปสรงังสรนังขจามิสรณขมดังนนตีตังปาติปาตาเวระมณีสิขาปังสัมาทิยามิ อตินาานาธานเวระมะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามิกาเมสมิชาชาราเวระมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ สุราเมระมัชะปมาทัตนาเวระมณีสิขาประธสมาธิามิิมาเนปัญจศิขาปทานิชีเลยนะสุขตึงยันติชีเลยนะโภคสัมปทาชีเลยนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทเย Amen. Amen. Amen. เดียวเดี๋ยอาตมาจะว่าคนเดียวว่าคนเดียวไม่ต้องว่าตามเนะหรอกอิมาเนาสกุลจีวาานิสัพปรวารานิสังคสสะปฏิคันหาตุรับเพื่อสงฆ์นะรับเพื่อตนคนเดียวเอาละทีนี้เราแล้ ว, วทีนี้เอาประโยคซะเอาเอามาเขนนี่ชุกเข้ามาเนี่เนี่ยเคลื่อนเข้ามา จะมาเออให้ใจทัฐบาทพระทัศบาทพระเออพระต้องอัปปโรกซะก่อนอัปรโร ก, กรรมทํามอัปปโรสังฆกรรม ก, รมกรม็ม่ครบสี่ก็เป็นสังฆกรรมสามสังฆกรรมสี่มีอะไรท้ามีอะไรของพระถ้าเป็นอัปรโร ก, กรรมแล้วสังฆกรรมกรม็ม่ครบสี่